ดังตัวอย่างในพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงไว้แล้วข้างตน้นโดยทั่วไปสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากปรโตโขสัคือปัจจัยฝ่า ย, ายภายนอกหรือองค์ประกอบทางสังคมด้วยอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงหรือชักนำเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากการหล่อหลอมกล่อมกล่กลกลาวของสังคมเช่นการอบรมสั่งสอนทางศิลธรรมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นต้น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 ถึงแม้ว่ารายละเอียดข้อปลีกย่อยของทิฏฐินี้จะเปลี่ยนแปลงต่างกันไปได้ตามถิ่นฐานและการลสมัยแต่ก็มีหลักกลางสําหรับวัดความเป็นสัมมาทิฏฐิคือความสอดคล้องกับหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมเพราะหลักกรรมเป็นกฎธรรมดาหรือหลักความจริงที่รองรับความเป็นไปแห่งพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์โด ย, น, ยนัยนี้โลกียสัมมาทิฏฐิ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 อาจวัดความเป็นโลกียะสัมมาทิฐิโดยวิธีพูดอย่างอื่นอีกเช่นว่าได้แก่ทิฏฐิชนิดที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมหรือว่าได้แก่ทิฐิชนิดที่ทําให้ก้าวหน้าไปในมรกได้คือส่งผลแก่องมรดกข้ออื่นๆได้ตั้งแต่ช่วยให้เกิดสัมมาสังกัปปะเป็นต้นและหนึ่งเมื่อเป็นความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามธรรมดาของธรรมชาติโลกิยะสัมมาทิฏฐินี้จึงอาจเชื่อมต่อให้ก้าวไปยังโลกุตระสัมมาทิฏฐิได้ด้วย